ในอธิการแห่งอวิชาวาลามิความไม่รู้ในความทุกข์ไม่รู้ในทุกข์พระมุทยัยถาว่าถ้าหากว่าไม่รู้ในทุกข์เนี่ยอาการของการไม่รู้ในทุกข์นั้นน่ยเป็นเรื่องของความไม่แทงตลอดในสภาวะธรรมเป็นจริงถามว่าไม่แทงตลอดเนี่ยหมายถึงว่าถ้าพูดถึงปัญญานี่สภาพของปัญญาจะต้องเข้าไปวิจัยสภาพธรรมตามความเป็นจริงได้อยชัเดเจนนะ เหมือนทงทะลุทะลวงวิจัยได้อย่างตรงลักษณะของปัญญาจะต้องเป็นอย่างไรคือสามารถที่จะไปเจาะแล้วก็วิจัยต้นธรรมค้นคว้าทมและเห็นตามความจริงมีสิ่งนั้นได้ลักษณะของปัญญาเป็นอย่างไรแต่ถ้าหากว่าอาวิชาแล้วเนี่ย ไม่แทงตลอดในสภาวะธรรมถ้าไปรู้ในสีเนี่ยก็ไม่โทะทะลวงในสีเหมนเดิมยัยงเห็นอย่างเงี้ยว่ามันนี่เป็นแก้วนี่เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นคนเป็นหญิงเป็นชายนี่ก็เห็นเนาะอวิชชานี่รู้มากนไม่ใช่ไม่รู้นะบางคนบอกอวิชช า, า, านี่คือคนง่ายง่ายไม่ใช่แบั้นรู้เลยเลยฉลาดคิดฉลาดขนาดเนเอออย่ายใช้คำว่าฉลาดคิดฉลาดแบบทั้งโลกที่เขาว่าฉลาดจนเลยทุกเรื่องฉลาดหมด คนเหยอวิชาเนี่ยคนอื่นโกงไม่ได้มีต่โกงคนอื่มันหนานั่นใช่ไเวลาจะถ้เขาเกิดดูถ้าอวิชชาหนาจั่นเนี่ยได้ทุกริตทุวันนพวกเหยือวิชามากเนียตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยที่จะไม่ได้ทุจริตเป็นลยไม่ได้ถ้าคนอวิชชาเน่หนาสังเกตดูว่าเราหนาขน่านหมั้งถ้าหนาเพื่อที่เขาลืมตาตุ๊บขึ้นมาก็ได้บาดทันทีอย่างเงี้ตงเนี้ยหนาจัดแล้วก็ขาะลืมตาตื่นแล้วสิ่งแรกที่เข้ามาสู่ระแสจิตค่อี่ออวิชชาคือความไม่รู้ได้ทุจริตแล้ว เพราะอวิชชาการการอวิชชาจนปัจจัยเกิดสังขารนี่ทั้งเกิดบุญเกิดบาปเป็นต้นนี่ปัญหาเยอะมากทั้งเกิดบาปเนี่ยเพราะอวิชชาเกิดเรื่องกับบาปมันจะติดกั้นบาปด้วยเองทาบาปด้วยชัดเจนที่เสุดเวลาทําบุญก็ไม่ออกทําบุญก็หลงอยู่ในวัฏจากรนี่แหละอวิชชามันก็ติดกั้นอยู่นี่แหละทําบุญเพื่อต้องการตาทําบุญเพื่อต้องการหูทําบุญเพื่อต้องการจมูกต้องการลิ้นต้องการกายทําบุญเพื่อต้องการชัดหมายถึงโคกกระชับตุนบัตมนี้เท่านั้นนะ หลงอยู่ติดอยู่ตรงนี้เท่านั้นเลยผู้ใจมันน่าดีนะสิ่งเหล่านี้มันดีตอนได้แต่มันเสียหายกันจากเพราะแค่จากเหงาชอบนะมมีพื่อจะวิบัตเหงาชอบไหมเบียดเบียดไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ว่าเจ็บใช่ไหมเจ็บในนี้เสียในนีก็นึบอกว่าอยากได้ตามากใช่ไหมอยากได้ขามากใช่ไหมเราเป็อยขาเลยป็นายเทาขาปรายเทามากจะเป็นเสียหายเลยอย่างนี้ปลายเท้าขานี่ บางคนอว้แต่แนี่ยนะงามมาก็มีกับประเพืนะีเนี่ยทายได้ชับแต่งตัวสวยได้วยนะ น, ะนกบางตัวเนะี่ยชอบมากสาขนแทงขนตัวเองอยูต่ตะวันวันโชว์ใบโชว์ไม้นนะเลยในกล่มที่ทํากันในเะรื่อง ก, การโชว์ทั้งหลายก็ต้องขังเกียรติใจก็คิดอะไรนะไอ้ชายด้ว ย, นนะ ย, ยมันติดแรงว่าติดอย่างนั้นบงคนมีไม่ได้เลยนิดหน่อยก็ไม่ได้ ็ูดไปพมาบอก็รท่กทงท่านส่งได้แล้วงพูดอย่างนี้บอกาจะพูดจะทำหนี้ท่านเวเอาพระเจ้ามาเพื่อนบ้านอกับให้ตั้งกัอเ่งกันจริงๆพุทธเจ้าว่าันมีจริงไม่ใช่อย่างนี้เพืนาบริสไม่กชเจื่นาเพื่จะเพื่อะไย่างน้ฉะนั้นลักษณะของลักษณะของอวิชชาเนี่ยนะเวลามันติดเนี่ย ก็ที่บอกว่าทําให้เราได้ตื่นขึ้นมาได้ทุจริวันวันวนึน่งทีามาตรวจสอบไปแล้วบางคนหักลบกลบนี่เดือดเดือแล้วก็โหบาปมากกว่า บ, บุญบาปมากกว่า บ, บุญอย่างเงี้ยแค่นี้นนแต่ว่าเราแย่นะก็ก็แก้ไขไปชีวิตแต่จะเดือดร้อนนะบางคนบอกโ้โหอบอกว่าแย่เลยได้ตามเดือดร้อนอยู่จะไหมเพิ่มแย่ก็อีกไหมนี่นมบางคนว่าเฮ้ไมถึงมันออกยากเลยความเครียดความกังวลอย่างนั้นถ้าไปเครียดไปแล้วนี่แปลว่าจะต้องร้อยจังหวะ เวลามันได้จังหวะเวลามันเหมือนยังไงถ้าความเชื่อของค่าพเจ้าเกิดมาแล้วมันจะต้องสองชั่วโมงที่จะดับได้ขาเออว่าบุญเกิดขึ้นทำไมไม่คิดแบบนี้ล่ะเคยพยายามไหมโอ๊ยบุญนี่ยบุญนี้เมืไรมันจะหมดไปเมื่อไหร่จะหมดไปอย่ากระจายจิตใช้คิดนะเรื่อมันไม่ต้องคิดมันก็หมดอยู่แล้วแปลกดีนะ ก็คนที่เหนื่ก็ไดบางทีนะคนคนที่มองอะไรเป็นบุญกับคนที่มองอะไรเป็นบาปต่างกังนยรงนะคนที่มองอะไรก็ได้ก็เห็นอะไรก็จะเรีนบุญได้เนี่ยเพราะกุศลกุศลเนี่ยของเขาเกิดได้หลายทางย น, นะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเนี่ยอะไรมากระทบกระทั่งเนี่ยเป็นบุญได้หมดเลยเขาไม่ได้เป็นบุญได้บุญเดียวได้นหะม สีอย่างเดียวก็เป็นทานในกุศก็ได้เป็นสีในกุศลก็ได้เป็นภาวนากุศลก็ได้เอาสีสีสีเดียวอย่างเดียนี่ในขณ ะ, ะที่จะให้ทานแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่ตาลบอย่างเดียวยตาลบสีได้ตาลบเสียงด้วยตาลบกลิ่นด้วยตาลบรสด้วยตาลบสัมผัสตาลบสัมผัส ด, ด้วยตาลบธรรมารมด้วยโอ้โหทั้องหอย่างเลยยกของถวายพระเนี่ยก็ พ, พิจารณาพระพิจารณาเหตุปัจจัยหมดเลยเ ย, ยาในสามประยุทธ์ทั้งเขาจริงๆ บางคนเนี่ไม่คิดอะไรมากทําทําไปคือไม่คิดแนาน้อมก็หาบุญให้มากบางคนเนี่ยใหาไปแล้วยังน้อมอยู่เลยเนี่ยจนไปน้อมแบบเสียดายเนี่ยโยนโดยธรรก็ดีด เ, เลยเนสะียเลยท่านอาจารยอย่างอวิชาวาลามีความไม่รู้ในสมุ ท, ทยัยจึงรู้ได้โดยเหตุสามประการนะโดยฐานะดโดยอารมณ์โดยการปิดบังไว้สมุทัยเป็นตัวละกา ม, มาสวะภาสวะลฤทิสาสวาะเป็นี้สมุทัยของ ฟังวิชานเนี่ยแจริงสมุทรไทยเนี่ยกลายถึงว่าไม่รู้ในอะไรสมุทรไทยนี่เป็นเหตุไงสมุทรไทยนั้นห้ามกันห้ามกันการแทงตลอดลักษณะแท้จริงเ้าเป็นตัวอะไรนะการต้านอยู่แล้วเจสมุทรไทยเนี่ยตัวตันหาเนี่ยเป็นตัวการต้านเอกเพราะตัวที่เออเา เ, เป็นตัวประกอบแท้จร้งบอกห้ามกันการแทงตลอดลักษณะตามความเป็นจริงเพราะว่าอะไรเพราะไม่มอบให้ซึ่งความเป็นญา น, นะญาณะ คือไม่มอบให้ในฐานะเป็นปัญญาคืออวิชาการกัน้นปัญหาประกอบก็แปลว่าปัญหาสาหาะหคดกับอวิชาทีนี้ปันหาที่เป็นสะหาระคดอวิชานั้นน่ยไม่ให้ปัญญาสะหาระคด่งมันจึงเป็นตัวประกอบไว้ให้หลงยิ่งขึ้นให้ยึดติดนะถ้ามีแต่อวิชาอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ประกอบไว้ทีนี้มันประกอบไว้ในติดไว้มันขาดไว้อยกตัวอย่างเช่นว่าเวลามันอวิชาเกิดในขณะที่ มองเห็นสีตัญหาก็ไปประกอบไปขาดติดในสีนั้นทําให้หลงอยู่ได้มานานในสีนั้นไม่เห็นว่าสีสีนั้นเป็นพชรอมมีบางคนมาหลงในสีสีเดียวเนี่ยทั้งชีวิตเลยนะห้าสิบปีเนี่ยสีนี้มาตลอดต่อเพื่อี่ว่าหลงไหลได้เปลื่อนไหมสีสีเดียวเนี่ยทำไมต้องมีเพชรทกเม็ดหนึ่งเมื่อไหรเมื่อไหรก็หลงอยู่นั้นะมองเมื่อไราก็คิดปัญหาเกิดอวิชชาการกันตัญหาเกิดอวิชชาการกัน ไม่เคยเห็นการตามเป็นจริงเลยว่ามีมันสมมติขึเนาะที่ชาวโลกโขาน่าจะว่ามีราคามันเกิดจากดินจากน้านําจากไฟจากลมนะโอ้ยยกยากจริงนะมก็ ไ, มไปแยกเพชรนี่ยแยกยากมากเพราะมันมองไม่เห็นอะไรมองไม่เห็นความเถื่อยคารปกติเนาะมองเห็นไงเพชรมีคาราปกติเนะานนะเพมันไม่เกิดเถื่อนดูมันไม่ทําทข้าทุกทีดูเมืไไ่อไหร่เนี่ยพอปิดไฟแลนะ้วแลยวก็เด็กจะทอนจะหลังไฟนี่เนาะ เหมือาวาวไปหมดเลยว่ววววางๆอยู่ันเดียวกลัจ น, น, นป้นก็นไม่ใส่ดูโชว์หน่อยวนะ่กันคจะานะตามสภาพเนี่ยไม่รู้จริงๆมีคนเขาทำันนี้ด้วยกัน ม, มีนะมีมีมมมมอยู่คนหนึ่งเขาพูดตรงนี้ยนะเขาบอกเวาลาเขาไปนยะก็แต่งตัวจเจตีรียนตืก็แต่งเลยเฉพาะราคาในตัวเขาเนี่ยหลายสิบล้านเป็เพื่อเลยเนะี่ยเป็นเทปเลยถนะามว่าเอาแล้วไปไ ป, ไปยังไงเขาจะนั่งรถมืดไปเลยเวลาจะไปโชว์ในงานเนี่ย เขาเป็นทีมคนคุ้งกันป้องกันอย่างดีออกไปก็ไปโชว์ในงานเลยเพราเสดพวกก็กลับเข้ารดกลับมามีรงางเนทุกอย่างยิ่งแต่ไปได้ตรงนั้นเนะขาโอ้โหเขาออมาออกอะการออกอะไรยันใหญ่เนาะเขามีงานโชกันยเยอโพรสวยมากเวยมเพชรัสวยอยู่ในคนสวยเริ่มเ ย, ย่แล้วเ พ, วยยวเพวชรมันดมันเกละาดูมันชราปกตินะแต่คนชนใในชาราเปิดเผยถ้าในสมยสัยกลางพุทธกาลนะาแต่งกันมากจริงจยอนยิบแต่ ในสาขาเี่ยเครื่องมหาลดาประสาทแหล่สวมใส่โอ้โหต้องใช้บุรุษประมาณต่าเก้าคนะเพื่อคันหาในในในสาขาท่านเป็นคนมีกำลังมากเป็นเป็ไปเยะบุคคลเนี่ยิดตัวถอดออกมาลืมไว้ที่วัดเนี่ยลืมไว้ที่วัดเ่สร้างวัดด้วยวัดนี่วัดปู่พาลามสร้างด้วยเครื่องเคื่องนี้เครื่องเครื่องสวมใสนี้ คนรวยรวยแต่ละมเมืองเพื่อที่จะมีแบบนี้ครับเราเห็นไหมสวนใสชุดชุดหนึ่งล้วสร้างวัดอย่างใหญ่ถ้าเรือนอยู่กันเป็นเรือนพันได้เลยไทยไม่ธรรมดาไม่ยอมเถียงไทนี้ถือว่าราคาแพงจริงๆไม่ใช่แพงธรรมดายังไม่ใชยที่วิทยาศาสตร์ปฏิบันที่เห็นที่เครื่องผมใสแล้วแพงแต่งแพงขนาดนี้แค่นั้นในอดีตนี้ไม่ธรรมดาถ้าพูดถึงคนรวยนะรวยกุ้งเป้กใ็ใส ใจชุดเข้ไปนี่สร้างวัดเป็นเจ้พระได้เป็นเรือนพันสร้างเป็นปราสาทได้เนาะถ้าอยู่เรือนเรือนพันแดงขนาดนั้นเลยทีเดียวดังนั้นความไม่รู้ในสมุทัยพึงรู้ได้โดยเหตุสามประการโดยฐานนะโดยอารมณ์โดยการติดตังบางไว้สมุทยมัยนั้นห้ามการแทงตลอดลักษณะลักษณะอะไรลักษณะของความไม่เที่ยงเป็นโุกข์นอนัตตาเนี่ยห้ามหมดเลยการจะไปแทงตลอดด้วยความไม่เห็นด้วยความโดย ให้เพี้เป็นทุกข์ไปนะตาตัญหาก็ไปปิดหรือไปแทงไปห้ามไปไหนห้ามในการที่บอกว่าไะเห็นด้วยความงามเนี่ยเห็นด้วยความไม่งามเนี่ยก็ไปไปปิดกันไว้เห็นด้วยความเป็นเป็นสุขนะเห็นด้วยความเป็นอัตตาเป็นเป็นอนัตตาเนี่ยคือเขาจะไปปิดวิบลาดเจะปิดหมนเลยวิบราดมีสีใช่ไหมเห็นว่าไม่งามว่างามเห็นว่าไม่เที้ยงว่าเที้ยงเห็นว่าสิ่งที่เป็นทุกข์ก็ถืวเนไม่เป็นสุข ที่เป็นอนัตตาจะเห็นว่าเป็นอัตตามันจะห้ามไม่เห็นลักษณะรางความเป็นจริงเลยไม่เห็นลักษณะตามความเจริงเลยแล้วจะติดบังลักษณะเช่นนี้เข้าไว้นะที่เป็จริงๆเนะี่ยก็ตัณหารเราเกิดท่วกันารวิภาอย่างนี้แล้วเนะี่ยก็จะประกอบไว้ก็ห้ามตามทางกระอลักษณะทางความเป็นจริง เขาไม่มอบเขาไม่มอบปัญญาให้ในขณะที่เขาเกิดแตบโมหะแล้วเขาไม่ยอมมอบปัญญาให้ไม่มอบปัญญาให้กระแสจิตเมื่อกระแสจิตกระแสนั้นเกิดขึ้นตั้งขึ้นมาแล้วไม่มียานปัญญาทุกระดับในการที่จะได้ตรวจสอบเยกแยะถึงตามความจริงในที่เกิดจริงจิงก็ขาดติดขาดติดในผมในขนในเล็ดในปันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกเป็นต้นนะ พาติดทุกๆอารมณ์ที่โมหังกั้นแล้วก็ปัญหาประกอบสมุทัยประกอบอะไรมันจป็นแี้แทนไม่มอบปัญญาให้ก็เหมือนบอกว่าถ้าเราไปอยู่กับใครสักคนนะี้เขาก็ปกติดไว้เขาไม่หึนเขาไม่ได้มอบสิ่งที่สําคัญนี่โดยเฉพาะสิ่งที่จะให้รู้ตามความเปจริงแล้วเ้าก็หลอกล่อให้หลงอยู่นเะลยเราถูกวิชาหลอกล่อหลงกลางกันมาน ย, ยอะมาจริงจริงเนี่ย ปัญหาก็ชาติดเข้ม้วว่ามีดีเนะมีดนะีเน้วมันก็ดีไปเที่ยวที่นั่นก็นงาอูท้ทะเลก็สวยอย่างเงีไปก็เลยก็สวยไปดูอะไรุปดูน้ำลมพัด เ, ดบบเย็นเย็นหนึ่งสบายเอทะถ้ามองอย่างนี้แล้วในโลกนี้มันจะมีที่ไ ห, หนงน า, ย า, ยายเลไม่น่าคิดนะว่าเอ๊ทะเลก็บอกจริงจริงเนี่ยนะว่าระหว่างก็บอกว่าสัตว์สัตว์บกกับสัตว์น้ำเนี่นยขนาน ด, ด, ด, ดนานมากกว่าไสัตว์น้ำมากก่า นั้นมันเป็นข้อบ่องบอกว่ากลุ่มที่ชอบปิดในทะเลดีมากฉะนั้นการที่จะไปถือปฏิสิณที่ในทะเลจึงมากแล้วไปทอดเชื่อปฏิสิณที่ไว้ทุกครั้งในขณะที่ก็าเราไปเย็นตายเยนใจด้วยตานี้ะเคไหมายใจไหมเธยไปยินดีมากๆขนะื้นใจมากๆอะไรเงี้ยเคยๆแล้ไปเห็นปูเห็นปลาเห็นอะไรต่างๆบางคนไปชื่นชมไล่จากันทุกวันนะ เล่นได้เงี้ยเน น, นั้นเห็นไหมว่าตะเนี่ถ้าหากว่าไปเกิดความรู้สึกว่าหรือไปปฏิบัติในลักษณะเช่นนั้นขึ้นมาเนี่ยจะียความไม่รู้ในนิโรธและปฏิปทาถึงทราบได้โดยเหเดียวเท่านั้นคือโดยการปิดบังไว้แต่ว่าการไม่รู้ในวิโรธถ้าสัจจะคือไม่รู้ในพระนิพานเนี่ยมยีฐานะอย่างเดียวด้วยนะถามว่าสามารถจะไปยังลงตัวนิพานเลยก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมถ้านิพานนั้นไม่ใช่มีสภาวะเหมือน ร, รูปเบญจนาสัญญาสังขารแล้วอื่นๆกระท่าของพระนิพพานนั้นถ้าจะตกปิดก็คือปกปิดในฐานะไม่ให้เห็นปิดบังไว้นะถ้ า, าอาวิชาเกิดขึ้นมาแล้วสามารถเจะมารับนิพพานโดยอารมณ์ได้ไหมคือมันอย่างนี้ถ้าคนมีปัญหาเป็นเรื่องประกอบมีอวิชาต่างกันอยู่กระท่าของอวิชาเนี่ยก็มองไม่เห็นอยู่แล้วมืดมิรู้จะ ม, มืดอย่างไงแล้ว แต่กลับมาชื่นชมโลกชื่นชมขันชื่นชมอายุแต่นะชื่นชมตาหูจมูกลิ้นกายใจชื่นชมบ้านชื่นชมรถชื่นชมทรัพย์ชื่นชมยักษ์ผาบรรดาสักดิ์ชื่นชมเพื่อนชื่นชมการสนุกสนานร้องรำทำเพลงันก็ชื่นชมเหล่านี้ยมันก็ปิดบังไม่เห็นนิพทานแล้วทีนี้พอไม่รู้ว่านิพทานน่ยมันจบกว่านี้ไม่รู้เลยเชื่อมต่อเที่ยวกันไม่ได้เลยอ่ะ ว่าความสุขในพระนิพพานกับความสุขในโลกใบนี้ในหลายๆโลกเนี่ยมันต่างกันมากคนมองอยู่เฮ้ยมีจริงไหมเนี่ยในเด้อนี่หลอกน่อะไรเนีแล้วงไงว่ามีจริงไหความสุขประเภทนี้วิธีคิดของพ่าโวธิสัตว์ท่านคิดยังไงท่านคิดบอกว่าท่านคิดคิดในร่างนนหรื่ามืดมีสว่างก็มีจะวิธีคิดของเขาเออเมื่อมืดก็มีสว่างที่นี่มีการเกิดมีการมีการตายและไม่เกิดต้อง ว่ามีทุกข์เนี่ยมเมื่อมันมีทุกข์เนี่ยความดับทุกข์จะต้องมีถ้ามีทุกข์แล้วจะต้องบอกว่ามีทุกข์ก็มีเหตุที่เกิดทุกข์เมื่อมีเหตุที่เกิดทุกข์แล้วมีทุกข์อย่างนี้แล้วความดับทุกข์จะต้องมีเมื่อมีความดับทุกข์แล้วอหนทางเดินที่จะเป็นหนทางเข้าถึงความดับทุกข์ก็จะต้องมีนะวิธีชี้ตรงท่านเนี่ยท่านบองเมื่อทุกข์มีเนี่ยดับทุกข์จะต้องมีดับทุกข์มันจะต้องมีท่านกับพิจารณาจงครบทุกครบเลยี้ไงีี ทุกพบท่านมองเหมือนเรือนจำท่านเห็นเหมือนห้องขังเลยนะพวกเราไม่รู้กันว่าเราติดคุกใช่ไหมเราไม่เคยคิดนะใครเคยนั่งอยู่ว่าเคยคิดไหมว่าเวลาติดคุกได้มากเราจะคิดกันว่าเอ้ถ้าอยู่ห้องนี้เล็กๆเราเิดว่าติดคุก แ, แต่คุกคือว่ตตาต่ยมันน่ากลัวกว่ห้องเล็กๆไอห้องเล็กๆเกนี่ยเราจะออกมาเมื่อไหร่ก็ได้ห้องห้องนั้นเน่ยแต่มนวัดป่านี้ที่เราหาทางออกออกนันนัไม่ได้เลยเนี่ยวิ่งวนกันอยูอย่เนี่ย าว่าจิตไม่น้อนมที่จะออกไม่น้อนมที่จะออกปัญหาอย่าก็เป็น้าเป็นขอทานห้าร้อยปีเราไม่ใช่จะเป็นละังที่จะหลายหลายางนั้นเราไม่ชจะดีเหมือนกันเลยมันคือชาดาเึ่งเป็นภรรยาของทาง้าสก่าจะเป็นนกยางห้าร้อปีมีสามีอย่างตามสอนอยู่ในให้ถือสินแปดให้ถือสีห้าเน้ยให้ถือสิห้า นั่นก็สมาทางสี่ห้าเขาอุ้ยอนมาให้สี่ห้าบ่อยๆให้แนะนําบ่อยๆ น, นี่เดนั้นเราจะเราจะดีขนาดนั้นตัวที่เราเหยเห็นเธ้ดามาตาม้มขาที่ตีดตางตาออก้านใครอิทธิยาัยก็ไม่นั่นก็ว่าบอกอหูไม่ให้กินปลาเน้ะเหลืเลยดูก็ไม่ให้กินปลาอยู่ไม่ไหวแล้วเหมือ น, นลองห้ามไนมะ่ให้กินอค่ห้ามแค่อาหารเ็กมื่อลบากแล้วไม่ได้แล้ว แตางคั้งก็จะเป็นเป็นเ่งดี เ, เรื่องการเจสมาธิถ้าเาอ้าสมาานอุบโบสถสูกันที่โ อ, อนอน้ำรัศมีมองเห็นเร่องรัศมี น, นะถ้าคนมีปัญญาเหมือนคนยื่นกุ่มชัดออโอ้โหน้ำรัศมีโอ้โหแค่ได้ยินคำว่าสูงอุบโบสถนี่ก็เป็นบุญนักษณะแล้วนะติด น, น้ำรันมีถึงขนาดนั้นนะถึถงขนาดนั้นแสดงอุตสาหมากเลยนะเนี่ย เขายังก็บอกโอ้ไม่ไหวเลยทั้วที่บอกไม่ไหวแล้วเนี่ยนะบโอ้หนักไปแล้วท้งที่มันหนักหรือไม่หนักต้องสทายเลยคือสะทายมันยังไม่ถึงบอกสะทายไม่ถึงรอใช่ไหมเลี้ยงจัดอาหารตองสะทาเนี่ยถ้าไปเลี้ยจักอาหารเนีสะทารอร้อยปีสะทายกันไม่จบใส่ใใส่อาหารก็ไม่ถูกใตนี้ก็บรนทอนเขาบอกให้เลี้ยงไม่จมาตอนนี้ต้องเลี้ยงเขาไว้นะอยาทิษตัวในี่ เหนื่อยั็เหนื่อยไม่โตกี่ตัวนี่เนีย่ยศึกษาก็ทํำมาต้องนานเนะ้นศรัทธาไม่โตเลยนะลหะฝดลงหดลงเสียเลยเนะี่ยเพราะศรัทธาหายแล้วอะไรมาและอัตถิยะความไม่มีศรัทธาก็ตามมาทวิริยะไม่มีแล้วก็คือโกศชาคือความเกียรติช้งก็จะตามมานชสติไม่มาแล้วก็ตามหลงหลงลงืม ล, ล, ล, ล, ลก็จะตามมาสมาธิไม่มาแล้วอะไระตามมาตามพุทสานก็จะตามมา ถ้าปัญญาไม่มาแล้วเราจะตามมโมหะก็จะตามมาก็จะมีไ ม, ม, าม่ได้จากโลกเปนโดยตามการรมจริงนะีไปไปปลยก็บอกว่าปลูกปูกอินทรีย์ไม่ขึ้นเลยปลูกททีงง่ตรงวนข้าวกับอินทรีย์มีโตวันโตขึนเลยเลยไม่ต้องปูกก็ โ, โหดไม่กี่วันเลเรียบร้อยรลย นี่คือการปิดบังไว้ไม่ให้รู้ภาะนิฐานความไม่รู้ที่ปิดบังไว้ก็เพราะความไม่รู้ที่ปิดบังนิโรธและปฏิบัติทางไว้นั่นเองคือทราบได้โดยการห้ามไว้ซึ่งการแทงตลอดลักษณะกามตามเป็นจิงในนิโรธทัศจักจและปฏิบนะัติทางเหล่านั้นเออย่างไหนบอกว่าเพราะการที่ไม่มอบมาซึ่งความไม่เป็นไปเหน็นญาในปัญญาในจักรทั้งสองตรงนี้ทําการเข้าใจอย่างลึกถ้ำ เวลาเอาวิชาเกิดขึ้นมันก็จะติดติดตะไรติดอริยมรรคโดยเฉพาะติดสัมมาทิฏฐิไม่ให้เกิดใช่ไหมติดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกตาสัมมาวาจาสัมมาทัมมันตัสสัมมาอาชีวาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิมันติดเลยเนาะเมื่อติดอรยมรก็แปลว่าติดข้อปฏิบัติที่จะให้เข้าไปทางตลอดกลางวานจริงๆในโุก ก็คือชื่อว่าติดท่านิทานเลยนะติดไม่เห็นท่านิทานด้วยเองให้พิจารณาอย่างนี้นะเวลาอวิชามันเกิดขึ้นมาเนี่นะเมื่ออวิชาายะนี่นะเวลามันเกิดขึ้นมาพวกเนี่ยมันไม่รู้กรรมไม่รู้กุศลกรรมไม่รู้อกุศลกุศรรมอกุศลกรรมนะไม่รู้จากกุศลกรรมบทไม่รู้จากอกุศลกรรมบทและไม่รู้สมุดไทยของกุศลกรรมบทและสมุดไทยของอกุศลกรรมบทไม่รู้เลยนะอวิชามันติด มันติดเลยแล้วก็ไม่รู้อาหารไม่อาหารสีเนี่ยอวิชชาไม่รู้หล้วไม่รู้กวิริย์กับอาหารไอ้คำว่าไม่รู้เน่ยไม่ใช่คนมีอวิชชาแล้วจะไม่รู้จักว่าอาหารเนี่ยอาหารอะไรไม่รู้ไงไม่ใช่นนะแต่ไม่รู้ว่าอาหารเนี่ยในขณะที่อาหารคือคือการที่กวิริง์กับอาหารที่ตั้งอยู่บนลิ้นเนี่ยก็ไม่รู้ไม่แยกแยกได้ว่าตั้งปุ๊บครั้งหนึ่งเนี่ยมีแปดรูปไหม มีดินน้ำไฟลมสือกินเยอโอชาให้วิตามินหนึ่งแล้วเยอะแต่ละครั้งก็เพิ่มวกตามินแต่ละครั้งได้แปดเลขทุกครั้งก็ม่รไม่แยกแยะเลยว่าค่าของอาหารที่รู้แบบไม่ได้แยกแยะการความเป็นจริอาศัยเวลากินอาหารก็กินจํานวนมากกว่าการที่จะได้โอชาพระโอชาทานทางคิวหาแบบเขาไม่รู้อันนี้ไม่รู้แบบพื้นฐานด้วยนไม่รู้แบบนี้ ที่ไม่รู้หนัก่ไปก็คือไม่รู้ว่ามันเป็นโทษยังไงแล้วท่านให้พิจารณาดยความเป็นโทษยังไงในอาหารการที่จะไปพิจารณาเห็นโดยความที่ว่าอาหารเนี้ยคือบริโภคเข้าไปแต่ละครั้งที่ม่บีบเราต้องกินไปแล้วเท่าไหร่ทำไมท่านต้องพิจารณาอาหารของข้าอาหารของมนุษย์อาหารของกระต่ายอาหารของนกยูงทําไมต้องพิจารณาอาหารของสัดทุกชนิดที่จะพิจารณาได้เพราะถูกสงเคราะไร เราเคยไปกินอาหารปรเภทนั้นมาแล้วนะ่ะบางทีเราต้องไปกินใบไผ่บางคร บ, บางชาติเราต้องไปกินหินดินจินเดียนมาเป็นมากี่ชาตแล้วในแถวไหนอะไรไหมชาติไม่รู้นะรนในโทุไงานจินเดียนว่าตายเกิดไปกินอาหารกันหน่อยกลับมาก็มากินโลกใบ น, น, นี้เลยนี่แหละตายก็กลับมาเรียนว่าตายเกิดไม่กินแต่อาตภาพหน่อยนี้กันเลยที่เกิดจริงๆก็กลับมากินอาหารไม่เห็นทั้งพวกอาหารเลยต า, าน้เลยนะ จะตกติดทุกทุกวาระปกติดไม่รู้กรรมมาตาวาระเหตุเกิดของกรรมมาะฐาวาระความดับของกรรมมาะฐาวาระและข้อบริบัติให้เข้าถึงความดับห่งกรรมมาะฐาวาระตกติดไม่รู้อาหารไม่รู้ทุกขวาระไม่รู้ชลาบวรณาวาระชาตวาระทววาระอุปาทานวาระตัหาวาระ เวทนาวาระผัสสะวาระชราญาตนาวาระนามรูปวาระวิญญาณวาระสังขารวาระอวิชาวาระและอาสวะวาระไม่คือพวกวาระเนี่ยไม่รู้นะไม่รู้อะไรไม่รู้ทุกนั่นเองไม่รู้เหตุให้เกิดทุกไม่รู้ความดัดทุกไม่รู้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับอาหารนี่เป็นทุกข์กษัตริย์ใช่ไหมเกิดให้เกิดอาหารที่สมุทัยใช่ไหมความดับของอาหารเป็นเมืรอด ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับของอาหารคือเป็นมัดนี่ก็ให้รู้อย่างนี้เวลาเราสาธยายจะครู่ดีสาธยายกันไปนี่ถ้าเราไม่รู้อุปาทานเนี่ยอุปาทานเป็นทุกข์กัตริย์ไม่รู้เหตุเกิดของอุปาทานอะไรคือเหตุเกิดของอุปาทานรู้ไหมอะไรปัญหาปัญหาทาี่สุดเลยไม่รู้ความดับของอุปาทานว่าอุปาทานจะดับแบบถาวรเมื่อไรไม่รู้นิพพานใดนิพพานเมือไรครับอุปาทานจะดับถาวรเช่น ว, ว่า ถ้าหาเป็นท่าโสดาบันอุปาทานในอใบยภูมิก็ดับโดยเท้าโเนืไม่รู้ไม่รู้นิพพานถ้าเป็นท่านาคาอุปาทานในกามะพุหมดแล้วถ้าเป็นท่าอะหันอุปาทานทุกคบ ด, ดับเรื่องเลยเนื้อไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ความดับไม่รู้นิพพานแล้วก็ไม่รู้ปฏิปทาคือข้อปฏิบัติถ้าพิจารณานี้จะเล่นแยกแยะเห็นหมดนดิคนะ่ะสา ม, มารถเอามาสายขยะแยากแยะได้หมดทุกวาระนี้ แยกแยะแล้วทำกลางเข้าใจได้ทุกเวลาไหมหรือว่าค่อยๆเห็นเห็นเอาแล้วก็เห็นลึกลีลุกลีเรื่องดีนี่เอาแค่ว่าเห็นคือให้รู้จักวัตถุประสงค์อะไรเงยนะเบื้องต้นนี้กลับมาดูต่อมาดูบอกว่าความไม่รู้ตามความเป็นจริงของนิโรธและปฏิปทาปฏิปทาในที่นั้นก็คือไม่รู้อริยมรรคและเพราะการไม่มอบให้ขึ้นความเป็นไปแห่งญาณในสัจจทั้งสองปัญหาเขาปัญหาเป็นเครื่องกลางกันหมดเลยนะ เอกค่ท่ี่อวิชชาเป็นแค่งการแก้ปัญหาก็ประกอบเข้าไว้มองข้อปฏิบัติที่มองอริยมรรอยองแต่ไม่เห็นเลยติดมดเลคือเขาไม่มอบไม่มอบยามไม่เหมือนกับว่าเหมือนจะบอกว่า hey, hey, ให้ให้ใช้อะไรก็ ค, คนบอกให้ไปทํางานเนี่ยแล้วงานนั้นเราไม่รู้เลยว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดีจะทําอะไรเป็นต้นเล้เนี่ยเราไปทำที่ไหนก็ไม่ถูกถามทําไมถึงทำไมถ่ถูกเพาะเขาไม่บอกข้อปฏิบัติเขาไม่บอกก็คือเหมือนเขาไ ม, ม, ม่มอบยามให้เรา ไม่มอบปัญญาให้เหมือนอย่างนี้ถามว่าเอาให้ไปปฏิบัติแต่ไม่ได้มอบปัญญาให้คือไม่มอบข้อปฏิบัติให้ก็ชื่อว่าไม่มอบยาไม่มอบปัญญาให้นะเหมือนเราให้เราใครสักคนบอกว่าไปทางานแต่ไปทำเท่านั้นนะแต่งานนั้นจะต้องมีอุปกรณ์มีคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์เครื่องใช้เป็นอย่างดีแต่บอกไม่ให้ไปไปอย่างนั้นให้ไปทําอย่างนี้ก็เรียกไม่มอบไม่มอบอุปกรณ์นะ้็งานก็ไม่สําเร็จันใด ลักษณะของการที่จะไปแทงตลอดกัจจะคือมีโลทัจจะถ้ามีโลทัศจจะเนี่ยการที่จะไปแทงตลอดได้นั้นจะต้องมีปัญญาอย่างสูงนะจะต้องมีปัญญาระดับโสดาปฏิมาศกาคาติมีมัอนาคาตมัจและอรหัตมัจนะจะต้องปัญญายาระดับนั้นจึงจะสามารถไปแทงตลอดได้และข้อปฏิบัตินั้นก็จะต้องเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปด้วยอริยมรรคในองค์8ปดนะ หาปฏิปทาข้อปฏิบัติเบื้องต้นคือจะต้องมีอะไรบอกจะต้องมีสติปัญสีสัมมาปัญสีอภิบาสีอภิสห้าทละห้าพชฌงเกิดอริยมรรคแปดไหมจะต้องมีข้อปฏิบัติแบบนี้คือจะต้องมีโพธิปักเทียธรรมใช่ไหมธที่เป็นปักฝ่ายของการตัดสรู้อริยสัจคือจะต้องมีคํรเหานี้ถ้าถามว่าอุยากจะไปปฏิบัติแต่ไม่รู้โพธิปักเทียธรรมเสียเลยจะอยากปฏิบัติจะถามไปปฏิบัติแบบไม่รู้ออาแบบง่ายๆ ออกสายพวกผมเองก็วนก็บอกเองต้องอย่ า, ยาไ้คิดอะไรมากให้สงดให้ฝึก้จอยู่คนเดียวอยู่อะไรให้เป็นหน่อยฐานดีไม่เชื่อฐานดีแต่จริงๆดืไม่มอบโพธิปัจจียธรรมไม่มอบข้อความเข้าใจในโพธิปัจจียธรรมเราะเรียกว่าไม่มีธรรมที่เป็นปักฝ่ายของการตั้รู้ทีนี้มอบถึงมอบให้ต้องอบรมนะคุณธธรรมแบบนี้ปฏิปฐานตีต้องอบรมถ้าอบรมเนี่ยแส ด, ดวงว่าต้องชัด แต่สมมุติว่าพวกเราทั้งหลายจะไปศึกษาอจะไปปฏิบัติเราต้องศึกษาเรื่องอะไรเรื่อเราเป็นปัญหาจริลีอย่างอ่อนหรืออย่างเก่หรือทิฏฐิจะหลับอย่างอ่อนหรื อ, รอทิฏฐิจริจลีอย่างอ่อนหรืออย่างแก่จํารู้ขนาดนั้นไม่ต้องรู้เมื่อรู้ขนาดนี้แล้วก็เอ๊ะแล้วก็ามาถานอะไรเนาะที่เหมาะแเราบอกเอาไปให้คนเขาดูหน้ า, าตาดูลักษณะเราก็มอบก็มาถานให้แต่เมื่อเย็ น, หหนทะเลได้หานักปฏิบัตินักปฏิบัติก็บอกว่า ผู้ปฏิบัติก็บอกเอยอย่างคนนี้โดยจากลักษณะแล้วเต้องเอากายานุปัชนาสุปทานแล้วต้องเอาแบบนี้นะเอาอน า, า, าปเเเนานะบอกไปเจรลยตามเราคิดว่าไปเจอคนตรงสูตรให้เราอย่างนี้เด็ดๆเราเชื่อนะยัง ย, ยูจะเชื่อนะเรื่อนะปัญหาคืออย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะเป็นผู้ที่ให้สูตรดีตรงเพราะพระพุทธเจ้านั้นรู้ทุกอัตยาศัยแล้วจะแสดงธรรมได้ทุกทุกอัตยาสัย ภาษารีบทยังตรงไม่ถูกบางเองเพราะภาษารีบทรู้ทุกอัจฉรยิรยะแสดงธรรมได้ทุกอัจ ร, ริยะเลยแต่ภาษารีบุตรไม่รู้ทุกอัจฉ ร, ริยะแต่ปัญหาคือการศรึกษาพระธรรมเนี่ต้องศึกษาเป็นอย่างดีเมื่อศึกษาเป็นอย่างดีเนี่ยการเจริญกุศลนั้นเป็นกิจของรเราเิ็นกิจของเราที่จะต้องเจริญไม่มียาวิเศษฉะนั้นลักษณะของการที่ไม่มอบให้ซึ่งความไม่เป็นไปแห่งญาณในสัจจะทั้งสอง ความไม่รู้ในสัจจะทั้งสองนั้นไม่เป็นการยั่งลงสู่ภายในในสัจจะทั้งสองนั้นเพราะไม่นับเนื่องในสัจจะทั้งสองนั้นส่วนสัจจะทั้งสองนั้นก็ไม่เป็นที่ตั้งของความไม่รู้ในสองนั้นเพราะไม่เป็นความเกิดร่วมกันและไม่เป็นอารมณ์เพราะไม่ปราศจากจะทั้งสองเต็มไปอธิบายว่าสัจจะสองข้อหลังเห็นได้ยากเพราะลึกซึ้งแต่ในเรื่องนี้ความไม่รู้ไม่ใช่มืดบอด จึงเป็นไปในวิโรธาสัจจะแต่ในมัทธัสัจจะนะรู้ยากนะพอลึกทําไมจึงรู้ได้ยากก่อนเนะี่ยเป็นโลกุตระอริยมรตเป็นโลกุตระเนะส่วนนิโรธาสัจจะ ก, ก็เป็นโลกุตระจึงรู้จึงเลื่อรู้ได้ยากเลยแทงตลอดจะยากรู้ก็ได้ยากของยากสมัยทำยากไอ้ของยา ก, ยากนี่ถามว่าบางคนก็บอกอุอ้ยที่ การศึกษาว่าทำเอาแบบง่ายๆก็เดินเรื่อยๆแนี้นะเขาบอต้องการแบบง่ายๆชุดวิธต่างนิดเดียวเข้าใจปฏิบัติได้เลยแต่ว่าปัญญาที่รู้เกี่ยนเรื่องของวัาตาในโลกต้องเรียนกันมานๆนที่ชาหาผ้ากินใน้องเรียนทั้งชีวิตชีวิาที่จะอยู่ในโลกใบเนี้ต้องเรียนทั้งชีวิตเลยนะหยุดเรียนไม่ไดนะ้แต่ปัญญาที่จะออกจากโลกใบเนี้ยใช้เวลาว่าง แล้วกเต็นนั่งฟังเนราฟับที่จริงก็ต้องถามนะว่าตนเองมีปัจจัยมีอัจฉิยาใสใช่ไหที่จะฟังแล้วบรรลุไที่จะเป็นพระที่ท่านบรรยายท่านก็บอกว่าไงเลยท่านก็จะบอกว่าโอ้โหต่ผมเนี่ยบวชมาขนาดนี้ปฏิบัติมาขนาดนี้แล้วมันยังได้เช่นี้อธิบายว่าสัจจะสองข้อหลังเห็นได้ยากพอริสิงแต่ในเรื่องนี้ความไม่รู้ไม่ใช่มืบ่บวด ยิงเป็นไปยเร่องสัจจะสองข้อต้นเนลึกซึ้งพราลักษณะของสภาวะเห็นได้ยากดูวความหมายว่าเป็นข้าศึกกันจึงเป็นด้วยการวิพัลลาดในสัจจะทั้งสองอย่างนะในทุกสัจจะเนี่ยจริงๆแล้วก็เห็นได้ยากแล้วก็ลึกซึ้งเหมือนกันนไม่ใช่ไม่ลึกซึ้งแต่ลึกซึ้งในลักษณะวา่าของสภาวะลักษณะเน่ยเห็นได้ว่าเพราะในลักษณะที่เห็นว่าอะไรจะเกิดตามมาวิพัลาดตามมาหมดไงเลวลาเราไปกําหนดตาเนเราเห็นว่าสวย สัมเนตตาที่เราเห็นว่าเที่ยงกัมเนตตาที่เราเห็นโดยความเป็นคือมันปิดไงเห็นว่าสวยบ้างเห็นว่าเที่ยงบ้างเห็นว่าเป็นสุกบ้างเห็นว่าเป็นอัตตาเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนไงงั้นเวลาเราไปกําหนดทีไรนะในสัจจะทั้งสองอย่างนี่ยนะก็ถามว่าตัณหาดีไหมเ้าใจไหมว่าถามว่าตัณหาในที่เนี้ยถามว่าตัณหานี่ดีเลยไม่ดีตัณหาเป็นสัจจะอะไรบอกเป็นทุกข์ตัณหาเป็นสัจจะนะเป็นทุกขะสัจจะนะตัณหานาดีเป็นสมุทัยของตัณหาอีกทีนะ คามดับของปัญหาทั้งสองที่เปนเมรุโรษข้อปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความดับของปัญหานั้นเป็นสมุทยัยถ้าต้อดูอย่างนี้ก็ชัดเพราะจริงๆถ้าบอกว่า้อเราไปเห็นว่าตัญหาถามว่าตัญหาเราไม่ชอบได้ยังไงย่างเช่นว่าของอสวยๆชอบของอสวยๆทางทวารตาเราชอบเสียงพอ้อๆทางทวารหนูเราก็ชอบชอบอย่างนั้นแปลแดงว่าเราเห็นปัญหานั้นยุบราดในปัญหาแล้วแล้วเราไม่เห็นความไง ความไม่เที่ยงของปัญหาแล้วก็ไม่เห็นความที่ปัญหาเป็นทุกข์มันเดียดเบียนแล้วก็ไม่เห็นความเป็นอนัตตาเนี่ยที่บังคับบังชาไม่ได้แล้วก็ไม่เห็นว่าตัญหาเป็นอย่างนั้นไงเวลามันเกิดขึ้นมามันเป็นทุกข์มันก็ร้อนไะบางทีท่านบอกเป็นโรคเป็นดังวัวผีเป็นความเร่าร้อนปัญหานี่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็สร้างความเร่าร้อนเดิ้นรนในครอบพรมต่างๆถ้ามีใครก็สิ้นที่มองว่าตาเป็นของร้อน ร้อนเพราะไปคีราคะวาวันหนักหูเป็นของร้อนร้อนเพราะไปคีราคะจมูกเป็นของร้อนร้อนเพราะไปคีราคะลิ้นเป็นของร้อนร้อนเพราะไปคีราคะตายเป็นของร้อนร้อนเพราะไปคีราคะมีใครก็อยู่บนหนึ่งเห็นตาหูจมูกลิ้นตายใส่ร้อนก็คือเห็นปัญหาร้อนถึงนเป็นทุกข์นั่เองเช้ามีใครก็อยู่บนโอ้ได้เห็นอย่งนี้ยงแล้วว่างั้นหนึ่งเห็นไหมยังตาก็ร้อนจมูกก็ร้อน ร้อนรถไฟวืราชาร้อนรถไฟสืโทส่าร้อนรถไฟคือโมหะร้อนพอระธาตร้อนพอระชารชามรณโศกาปริเถวาทุกขโทมนัสต์อุปาญาต์โดนไฟสิดอุดร้องเขาโนอยู่ตลอดเวลาเนะี่ยโอ้กิจเจรนาแต่มองยังไงก็ไม่เห็นาตามสูตรนะมันใช่ไหมยานเนี่ยไปตามใจที่เข้าถึงมันยังไม่ถึงอนะไรเนี่ยเสียสูตรในคำสอนไม่นเลยค้านเลยไงนะแต่มันคิดยังไงมันก็ไม่เห็นไง เดี๋ยวก็ปวดตาขึ้นมาแล้วก็บ่นล้วร้อนใช่ไหมถ้าปวดตาขึ้นมาบอกโอ้ร้อนอย่างท่านว่าจริงๆก็ดูตั้งแต่โ น, น, นู้นตอนนี้ก็คงไม่ร้อนถ้าวันนี้วันี้จริงๆวันนั้นไม่ได้ดูปเป็นกลางแล้วมันเป็นรังรของโลกนะถ้าเป็นท่านนายนตอนตอนเช้ามีมีมาล่าา ก, ก, ล ก, าลกันมีโยมไปเป็นโลกมาเลงคือไล่กันทุกคมาเรลงก็จะไปขายแสงก็ไม่ได้มีอะไรมากนะ ไปไปมามาเไปฟังหมอก็เป็นยาเขาก็เป็นยาบอกว่าไอวเชืมะเร็งเนี่ยว่าไงมั้งถ้ามาายแสงแล้วมันจะมีอาการมันจคือต้องฉายให้มันไม่เช้งหัวของมะเร็งเนี่ยมันมันฟอลงไปฉะนั้นการฉาย้องคิดดูว่ามะเร็งมันอยู่ข้างในแล้วมันลึดอยู่จุดไหนของสมองเนี่ยคือก็ต้องฉายมันไหม้ก็ลองคิดดูเนื้อที่อยู่ข้างนอกมันก็ต้องเปลี่ยนมันก็ต้องไหม้ เนั้นเวลาจะล้างนะจะอะไรต่างๆต้องไม่ถลกเลยแต่แต่แต่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันยุ่ยอกออกหมดนี่แต่พูดอย่งแล้วก็ต้องมานะถึงแม้ว่าจะอาเจียนไม่จะอ้วกอะไรต่างๆนั้นการ ม, มาตามหมอตามลำดับต้องมาตามลำดับ น, น, ะ น, นาะทีแรกเราไ่ควไม่ซัวไม่รตายเมืไรก็ได้พอไปฟังหมอพูดอย่างนั้นแล้วใส่ถอดหน้าพดเศด นี่เคยใจเอ้ยนีออ่คนที่ทามอาจารย์ที่เคยบอกว่าเออให้พิดเจรนามาตงหลายดีดีนะไม่เคยกลับไปพิจารณาจะไปพิจารณาตอนนี้ก็ไม่ทังเลยติดมันไม่นะถามวันเี้เลยนะเข า, าเรียกว่าวางแผนชีวิตผิดท่าผิดท่านะมันประเพทืที่ว่าคนจะไปรบรู้แล้วตนเองจะต้องเข้าสมองระูมด้วยแต่ไม่ได้ฝึกฝนสิงอย่างดียว เข้าไปตื้งตั้งตื้นตังมาเ้าเรียกว่าคนไม่ทันได้ออกรบเลยใจถอดไปแล้วพวกเราเป็นอย่างนั้นนะต่างศึกษาพระธรรมเป็นอย่างดีโอ้โหอันนี้จังทุกครั้งอาตาชัดแต่พอจะเข้าสู่สนามรบข้จริงๆเนาะโอ้โหไม่เอาแ ล, ล้วตั้งหาก็คือว่าอกแสดงว่าไม่เคยถอดออกมารับอยู่อย่างนั้นเนี่ยระเภทนั้นต้องไปอุปมาอย่างนั้นเนมันต้องคอดออกมารับเป็นอย่างดี ฝึกในการปันในการอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างดีนะไม่ใช่ว่าแต่อย่างนั้นก็โทว์แต่บอกบอกเมื่อ ด, ดีด้านสวยแต่อย่าดึอางออมาดึงแล้เหยงอะไรอ่างั้นมองเห็นนะตรงนี้นีน่หลในรักษาเช่นนี้นี่แหละฉันถึงบอกว่าอาลิขชาเป็นอย่างนี้เพราะความเป็นวิตยาเท่านั้นปัญหาในเวลามันเกิดขึ้นมาหรือตัวสมุ ท, ทัยโดยเฉพาะอาสวะเนี่ยเป็นเป็นปัจจัยทำให้เสียหายเลยตรงนี้น มีี ม, ม, ม, มจะเป็นนังเพราะลักษณะของอวิชชาเนี่ยเป็นความไม่รู้หมายถึงการไม่รู้อะไรลักษณะการไม่แทงตลอดระยาสัตว์แล้วก็มีการปฏิบัติผิดยืนลืมนวถ้าอาวิชชาเกิดขึ้นทำไมมันไม่แทงตลอดในสิ่งเหล่านี้เขาบอกว่าจึงเกินไปด้วยการถึงวิปลาสในสัจจะทั้งสองวิปลาสในโควิปลาสในสมุทัยสัจจะ ถามว่าทําไมยังลิบตลาดอย่างนั้นเพราะว่าเขามีการใส่ใจในอารมณ์ไม่แยกถ่ายใช่ไหมลักษณะของอวิชชาเวลาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะใส่ใจในอารมณ์โดยไม่แยกถ่ายเลยนะไม่ได้พิจารณาหรือใส่ใจในอารมณ์ไม่เห็นโดยความเของโดยวิวแยบถ่ายอะไรเลยฉะนั้นพระเถระจึงแสดงอวิชชาไว้โดยการส่งเคาะเข้าด้วยทั้งโดยฐานหน้าที่ตั้งและโดยอารมณ์และโดยจิตฐานฐา น, นะก็คือที่ตั้งของอวิชชา ที่อวิชชาที่จะไปเกิดนะโดยฐานะโดยที่ตั้งนะในอวิชชานี่ยนะอิปการหนึ่งทำว่าทุกข์เขือก็เขียแล้วแสดงวิชชาไว้โดยการส่งเขาเข้าโดกทั้งโดยฐานที่ตั้งอารมณ์และก็โดยจิตโดยอารมณ์กับโดยจิตมีคนละอย่างกันนะโดยฐานที่ตั้งก็คนละอย่างถ้าโดยฐานที่ตั้งนั้นในฐานะเป็นอุปนิสัยปัจจัยคือเป็นที่ตั้งอุปนิสัยในฐานะเป็นอะไร ในฐานะโดยการเป็นที่ตั้งอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้ามองในแง่อของปกตจบัิทยาปัจจั ย, เ, ยเป็นฐานที่ตั้งอวิชาในอดีตเป็นฐานเป็นที่ตั้งให้เก่าอาวิชาในปัจจุบันมีมีก็เรียกโดยฐานโดยฐานะเป็นที่ตั้งถ้าโดยอารมณ์ถ้าโดยอารมณ์มก็หมายความว่าอาวิชาเนี่ยเวลาไปรับสีรับรูปรับเสียงรับกลิ่นรับรสรับสัมผัส รับธรรมารมณ์เนี่ยเอวิชาก็ปิดหมดเลยไม่ให้รู้ตามความเป็นจริงของอารมณ์นั้นนั้นอย่างนี้เขาเรียกฐานะโดยการเป็นอารมณ์หรือไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงของขันของอายตนะของธาตุนั้นนะั้นคือไม่ให้รู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เขาเรียกโดยฐานะเป็นอารมณ์โดยสรุปแน่ๆก็คือว่าเวลาอวิชาปกติดในการที่ไปรู้เห็นคนเดิน ม, มาเนี่ยอวิชาก็ปกติดแล้ว ปัญหาก็ประกอบแล้วบางทีก็โกรธใช่มองเห็นไนงะถ้าเห็นคนเดินมาเนี่ยถ้าเดินแบบว่าเออไม่ถูกใจเราก็ไม่พอใจหรือถ้าหากว่าเดินมาแล้วถูกใจเราเราก็พอใจจนปัญหาก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าอาการที่เดินของคนคนนั้นเนี่ยเกิดจากสมูธฐานอะไรเพราะการเดินมันมีจิตเป็นสมูธฐานมีวาโยธาเป็นสมูธฐานมีอารมณ์ หรือวัตวัตถุประสงค์หรืออัตยาไสยที่คิดด้วยวัตถุประสงค์ของสัตว์นั้นเป็นสมุทฐานเป็นเหือเป็นปัจจัยก็ไม่รู้มองเห็นอะไรอาการที่เดินคือไม่รู้ไม่รู้เหมือนว่าไม่รู้อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนภายในตนโดยอารมณ์ก็ติดแล้วไม่รู้ในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนภายนอกของสัตว์อืน่นหรือบุคคลอื่นที่กําลังเป็นไป ไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าเป็นทุกไม่รู้อเหตุของสิ่งเหลห่านั้นเป็นสมุทัยอย่างนี้เป็นต้นเหตุในลักษณะของเกลเออร์อารมณ์ถ้าโดยจิตแหละถ้าโดยจิตก็คือว่าหน้าที่การงานการงานของอวิชชาเขาเนี่ยมีหน้าที่อย่างเดียวคือปิดเขาปิดบังความจริงไม่เห็นความจริงและหน้าที่ของเขามีหน้าที่ปิดถา้าวะของเขาเมื่เกิดขึ้นมาแล้วต้องต่างกาันเห็นอะไรเขาปิดกันไม่เห็นไม่ให้ เ, หเจาะ ทงทะลุตามความเป็นจริงเนี่ยในกิจคือการงานใช่ไหมมันเหมือนบอกว่าคนคนนี้มีหน้าที่อะไรเป็นมีหน้าที่ในการเป็นยามคอยเปิดจิตประตูแต่ถายอาวิชชาแล้วจิตอย่างเดียวหน้าที่ของเขาจิตบังสภาพความจริงไม่เ ห, เห็นกวามจริงนะก็มีหน้าที่โดยจิตนั่นคือโดยจิตด้วยเหเชียงเท่านี้ว่าทุกข์คาสมุทรเทย่ท่านแสดงไว้โดยฐานคือที่ตัง้งโดยอารมณ์แล้วก็โดยจิต ตัวสมูทไทยท่างการแสดงโดยสารฐานหนะาเนื้อหฐานโดยที่ตั้งก็ถานบอกว่าตัวสมูทไทยคือตัวเหตุอย่างยกตัวอย่างเหตดที่เกิดอวิชาคือตามมาเพราะวาภาวะวะทิศาสวะเนี่ยนะตัวนี้เป็นที่ตั้งนะเป็นที่ตั้งของวิชานะเป็นที่ตั้งของตัวเองด้วยนะเป็นฐานต้าอวิชาจะจะตั้งที่จะเกิดต้องอาศัยสิ่งอย่างนี้ประกอบนะต้องอาศัยหรือปิ่งของเขาเองตัวสมูทไทยเนี่ย จะเกิดในปัจจุบันก็ต้องอาศัยฐานในอดีตสองสมุทัยเป็นที่ตั้งใช่ัหมถ้าไม่มีปัญหาในอดีตปัญหาปัจจุบันก็ไม่เกิดฉะนั้นปัญหาในอดีตจึงเป็นฐานเป็ น, นที่ตั้งของปัญหาในปัจจุบันทุกที่ในยะเดียวกันโดยความเป็นอารมณ์เหละโดยความเป็นอารมณ์แต่ว่าปัญหาก็จะอาศัยรูปอาศัยเสียงอาศัยกลิ่นอย่นเงนี้ยโดยกิตก็คือหน้าที่ของปัญหาหน้าที่ของปัญหาเขาก็กิตต้องเข้าคืออะไร จิตทั้งเขาก็คือว่าขาดติดอย่างเดียวปัญหาขาดติดนะติดอย่างเดียวขาดปิดอะไรปัญหานี้ขาดติดอะไรลักษณะจิตทั้งตานามีความติดข้องติดข้องอยู่ในอารมณ์อย่างยุ่งไปพลิกขีก็คือว่าเห็นผิดเนยแล้ั้งเนี่มีลักษณะเช่นนี้ด้วยคำเพียงเท่านี้ทุกขานิโรธททุกขานิโรธาทานิมีนิยาปฏิปทายะท่านแสดงไว้โดยจิตทุกขานิโรธเนี่ยแสดงโดยจิต แต่โดยไม่แตกต่างกันแล้วอวิชชาถึงทราบท่านแสดงโดยสภาวะโดยคาว่าอัญญานั่งอัญญาณนั่งในคือความไม่รู้นะอัญญาณอัญญาณโดยนั้นคือความไม่รู้อปัจจิจ ท, ท่าคือว่าอริยมัรคเกิดขึ้นมาท่านแสดงวด่าเป็นข้อปฏิบัติตามมาสวะภาวะสวะในคําว่าอาสวะกมุทัานี้เป็นปัจจัยแห่งอวิชชาด้วยสา ม, มารถแห่งสาชาตปัจจัยถึงต้องคำว่าสาชาตาปัจจัยหมายความว่าเกิดร่วม เกรวมเกิพร้อมกันเกิดร่วมกันไปด้วยกันเลยนะประกอบกันได้ด้วยเป็นสัญลักษณ์ยึด้ยเมื่อเป็นศาสชาติปัจจัยนี่เป็นสรญลัก์ยึดได้ไหมตัณหาเนี่ยตัวอาสวะนี่นะการมาสวะภาวะเนี่ยเป็นปัจจัยเกิดพร้อมกับโมหะเนี่ยเกิดพร้อมกันอยู่ไหมย่างถือท่านเกิดอย่างนี้ว่าตัณหาตัวโลภะกับอวิชชาเนี่ยเวลาจะเกิดก็เกิดพร้อมกัน เขาเรเป็นสายขาดประกอบกันไหมบกประกอบซึ่งเขาเรียกเป็นสัมประยุกตอาศัยกันไหมบกอกอาศัยซึ่งกันและกันเราบอกเป็นอัญญามัญยะเขาอาศัยซึ่งกันและกันขาดกันได้ไหมบอกไม่ได้เลยประเภทยังไงรู้ไหมถ้าหากว่าตันหาขาดอวิชชาเป็นสภาพของตันหาที่ไม่มีที่ต่างกันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเขาจะต้องเป็นซึ่งกันและกันประเภทจะเป็นเพื่อนตายกันเลยว่ะนั้นเอง เป็นเพื่อนตายกันเลยกอดคอกันไว้ไปไหนเนี่ยจาบ ก, กันไม่ได้ปัญหาเกิอดอวิชชาเกิดนี้ปัญหาเกิดเมื่อไหร่อวิชชาก็จะตามประกบเยกตัวอย่างเช่นถ้าปัญหาชอบอะไรโมหะก็จะไปติดนะครับถ้าไม่ติดไม่ได้เดี๋ยวไปรู้ตามการเป็นจริงตรงนั้นเดี๋ยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าที่สุดจริงๆก็จะเพราะสมมุติว่าเมื่อปัญหาเบื่อดัอนนี้ ปัญหาก็ทัดสายที่จะไปชอบอย่างอื่นเะนี่ยอริธาก็ตามไปติดคิดติดไม่รู้นะเนี่ยไม่รู้ต่างว่าจริงๆนะให้ปัญหาก็ไปตลาง ก, กาั้นขอโทษดีอากการิธาไปกลางกั้นปัญหาก็ปัญหาก็ประกอบขาดติดที่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นสภาพของปัญหาจริงเป็นสภาพที่มีแก่านายคืโมหะตามประกอบลตลอดประเภทที่ว่า ไปชอบอะไรไม่ได้ครับติดเลยติดให้หลงอยู่ติดอยู่ยึดอยู่สิ่งนั้นถ้าเบื่อสิ่งนี้แล้วก็วิชาติดอย่างอู่ก็ไปหลงอยู่ชอบอยู่ติดอยู่อยู่ในวตตาที่านมาถามว่าเราเจอปัญหาเจอวิชาเนี่ยทั้งโดยสะาดาติปัจจัยอัญญามัญญาปัจจัยสัมบูริยตาติปัจจัย นาาาาิ้อยปัจจัยตาชาปาทีตาชาตาอวิชตาปาจัยอย่างนี้เป็นต้น น, นะเนี่ยเขาเกิดไปร่วมมามากมายแล้วอวิชาสาวะซึ่งกลราบว่ากาวิชาเกิดขึ้นก่อนโดยอุปนิสัยปัจจัยนั่นเองชื่อว่าอาวิชาสาวะหมายถึงยังไงอย่างเอาวิชาที่นอดีถ้อาอวิชานะ่ดีก็บพบก็เป็นปัจจัยกัาวิชาในาปัจจุบันกระทบนีน้หรืออวิชาเมื่อเมือ่อเกิดใหม่เป็นปัจจัยกาวิชาเดี๋ยวนี้อย่างนี้เป็นต้น เมื้อแตอวิชชาก่อนๆอวิชชาขนาดติดก่อนอวิชชาเมื่อวันวานนี้ยังเป็นอวิชชาในความไม่รู้ในวันนี้นะถามว่เมื่อวานที่เราไม่รู้ในความเป็นจริงวันนี้ก็เลยมาติดเลยเป็นปัจจัยให้เราไม่รู้ในความเป็นจริงอะไรอย่างนี้ปัญหาก็เดี๋ยวก็ต้องมาเรียนอีกแล้วต้องมาเรียนอวิชชาให้มาอวิชชาใถ้มาผ่นมาฟังว่าถามีใครให้มาไหมยังไงบอกขอว่างเล้นต่ออวิชชาก็ขย่าเพออ แต่ยังอยู่ในข่าวข่ายเอาวิชาเนี้ยพอยังละเอวิชาไม่ได้ถึงมาเรียนใช่ไหมถึงมาฟังาามาทำเนี่ยฟังทำเพื่ออะไรเพื่อจะไปละเอาเอวิชาถ า, ามว่เพื่ออย่างไรเพื่อรับรู้เขาจริงๆเนี่ยถามแ้่นี้ยังไม่เพียงพอเลยก็ยังไม่เห็นจะดุ้งจะเทียนอะไรเลยขนาดสะกิดแล้วสะกิดอีกสะกิดแล้วสะกิดอีกยังไม่ยอมไหวตึงเลยด้วยสา ม, มารถทง อวิชาสวะอาสวะสมุทญานี้อวิชาสวะนี้ยังเป็นอุปนิสัยปัจจัยนะของอวิชาที่เกิดขึ้นในการต่อต่อมาเนี่ยเป็นอย่างนั้นเฉะนั้นอวิชาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนอกจากจะมีตามาสวะภาอาสวะเป็นปัจจัยต้นๆแล้วยังมีอวิชาสวะนั่แหละอยู่ในฐานะเป็นอุปนิสัยปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยประเภทไหนผกเป็นในฐานะประตูเป็นนิสัยปัจจัย เป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกําลังที่ทําำสำเร็จแล้วอวิชชาเกิดสำเร็จแล้วอวิชชาที่เกิดขึ้นในอดีตในสําเร็จมาแล้วจึงเป็นปัจจัยให้กับอวิชชาในปัจจุบันนี้เกิดขึ้นตั้งขึ้นในทุกๆอารมณ์ถามว่าทำไมปัจจุบันในคนยังมีอวิชชาบอกเพรอวิชชาอาดีตทัำไมยังมีทักสมบัติในปัจจุบนนันในพอ่อแม่ยกในหะ้ในทรัพย์สมบัติสา ม, มียกให้ยืนยต้นนะ่ย